ด้วยกัน มูัเลยเห็นบางคนกินพวกไข่ดาวมูแฮมแฮมยังจะสั่งเอาสเต็กเนือ้อกุ้งตัวโตแถวควายเป็นที่ไรห้อมดีหอยปูปลาก็มีื้อเนือเน้อ ได้